แต่สำหรับภูมิที่ต่างก่าเรานั้นเราจะไปเยี่ยมเมื่อใดก็ได้แต่แม้กระนั้นก็มีข้อที่ควรสังวรอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะต้องศึกษาหาความรู้โดยให้เจ้าหน้าที่ในภูมินั้นให้คำแนะนำแก่เราเสียก่อนในเรื่องนี้ก็เป็นอันตกลงกันว่าเราจะท่องเที่ยวไปในภูมิพี่เรานี้ให้เห็นความเป็นไปจนเพียงพอเสียก่อน เกี่ยวกับอนาคตอันแน่นอนของโลกหรือภูมิที่เรากําลังอยู่ในปัจจุบันนี้เราจําต้องหัดเลืกคิดอย่างชาวโลกมนุษย์ซะบ้างในโลกมนุษย์ระยะทางเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งแต่ในที่นี้ความใกล้หรือไกลไม่มีความสําคัญแต่อย่างใดเพราะเราสามารถจะไปถึงที่ทุกขนทุกแห่งได้โดยฉับพลันในขณะที่นึกนั่นเองในที่นี้ ขออย่าให้ท่านเข้าใจผิดว่าโลกของเราคงจะมีแต่พื้นที่แบนๆยาวเหยียดออกไปสุดสายตาหาไม่ได้เลยพื้นที่ของโลกก็คงประกอบไปด้วยที่รุ่มราบบ้างและภูเขาใหญ่น้อยบ้างเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์นั่นเองนอกจากนั้นบรรยากาศของโลกเราก็แจ่มใส ย, ยิ่งกว่าโลกมนุษย์มากมายนะ สายตาของเราก็สามารถมองไปได้ไกลแสนไกลอันหนึง่งเราไม่จำเป็นจะต้องถือเอาพื้นแผ่นดินเป็นหลักสลหรับรองรับเท้าของเราทางนี้เพราะว่าเราสามารถจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้แม้โดยที่เท้าไม่ต้องสัมผัสกับพื้นดินทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในทางราบหรือทางสูงก็ต่าง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 หากจะตั้งปัญหาโดยแน่นอนว่าอาณาเขตของโลกทิปที่ติดต่อกับโลกมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ข้าพเจ้าก็ต้องขอให้ท่านระลึกย้อนหลังไปถึงเวลาที่ข้าพเจ้าเจ็บหนักและกำลังนอนอยู่บนเตียงในขณะนั้นคือเมื่อถึงเวลาที่กายทิปกํกำลังจะพากจากกายเนื้อข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะลุกขึ้นจากเตียงให้ได้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 คงรู้สึกแต่เพียงว่าได้มีการเดินทางเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเท่านั้นในเรื่องนี้เอ็ดวินได้บอกแก่ข้าพเจ้าในภายหลังว่าตลอดเวลานั้นเราได้เดินทางผ่านโลกทิพย์ที่ต่ำและหยาบ ก, กว่าเราและโดยที่เป็นโลกซึ่งไม่น่าดูนักเขาจึงได้บอกให้ข้าพเจ้าหลับตาเสียโดยเกรงว่าอาจจะไม่สามารถทนต่อสิ่งที่จะเห็นได้อันหนึง่ง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 โดยลักษณะภูมิประเทศภายนอกของโลกทิพย์นี้การเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าค่อยเปล่นค่อยไ ป, ไปทีละน้อยจากภูมิหนึ่งไปยังอีกภูมิหนึ่งด้วยเหตุ น, นี้จึงเป็นการยากที่จะกําหนดแน่นอนลงไปว่าภูมิหนึ่งภูมิหนึ่งมีเส้นเขตแดนที่แท้จริงอยู่ที่ใดเพราะการเปลี่ยนสภาพดังกล่าวนี้ค่อยๆกลมกลืนเข้าหากันทีละน้อย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 แลดูเป็นสีเหลืองซีดเพิ่มขึ้นทุกขณะและดูประหนึ่งย่าในโลกมนุษย์ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินที่แห้งแล้งและแตกระแหงซ้ำถูกแดดเผาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นโดยรอบบริเวณปราสาทไม้ผลไม้ดอกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใดใดทั้งสิน้นสภาวะที่แวดลอ้อมยิ่งเพิ่มความว่างเปล่าเปลี่ยวและวังเวงชวนใจให้เศร้าสลดยิ่งขึ้นทุกย่างก้าว เราเหลียวมองไปโดยรอบจนสุดสายตาแต่ก็หาวิวแววของชีวิตไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือพืชสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะในบาดนี้แม้ต้นหญ้าที่เคยขึ้นอยู่รอมแหลงเป็นสีเหลืองเกรียมดุดถูกแดดเผาอย่างทารุณ น, นั้นก็ไม่มีปรากฏให้เห็นอีกต่อไปเรากำลังเดินอยู่บนพื้นดินที่แข็งกระด้างอย่างที่กพเจ้าไม่เคยประสบมาก่อนเลย นอกจากนั้นบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มเยือกเย็นลงเป็นลำดับขับความอบอุ่นอันเป็นลักษณะแห่งภูมิเก่าให้หายไปทุกทีบทัดนี้รอบกายของเรามีแต่ความชื้นแฉะและเย็นจะเยือกจับหัวใจมันทำให้เราเริ่มรู้สึกหนาวสั่นและหวันหวาดไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจอย่างอธิบายไม่ถูกรูธกอแขนเอ็ดวินไว้แน่น สีหน้าและท่าทางของเธอบอกความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเขาพระเจ้าเองก็รู้สึกว่าจะมีอาการไม่ดีไปกว่าเธอนักเพราะครู่หนึ่งต่อมาก็รู้สึกว่าหมดความเหนียวร้างใจต้องกอะแขนเอ็ดวินไว้แน่นเช่นเดียวกันในที่สุดเขาพระเจ้าสังเกตเห็นว่ารูดเริ่มมีอาการสั่นสะท้านไปทั่วร่างอย่างน่าสงสารเธอหยุดเดินโดยฉับพลัน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 มีดอกไม้ล้อมรอบอันเป็นสภาวะที่แท้จริงแห่งภูมิของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าต้องสารภาพว่าได้รับความรู้สึกโล่งใจและเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกจริงๆเห็นจะไม่ต้องบอกก็ได้ว่ารูธก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันเราต่างเห็นจริงว่าการเข้าสู่ภูมิเช่นนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจและต้องการเครื่องคุ้มกันตัวอย่างมากมายเพียงใด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 แตกต่างกันกับที่เราได้ประสบมาเมื่อสักครู่นี้อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ข้าพเจ้าไม่สามารถหาถ้อยคำบัญญาให้ถึงใจได้จริงๆว่าความเขียวอันสดชื่นนี้มีประมาณเพียงไรโดยรอบจะแลเห็นดอกไม้นาณ า, าพันธ์อัญชูชอบบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนในบรรยากาศก็แลดูคล้ายๆกับเป็นสีรุ้งทอง ล่องลอยและแทรกซึมเข้าไปให้พลังแห่งความสดชื่นทั้งแก่ร่างกายและจิตใจของพวกเราทั่วกันทางเบื้องหน้าและด้านข้างของพวกเรามีเคหสถานปลากรวดอยู่ระหว่างอุทยานอันน่ารื่นรมนี้บ้างห่างกันแต่เมื่อเราเหลียวมองไปข้างหลังก็ลายเห็นอาคารอันใหญ่โตโอฬารและงดงามตั้งเด่นเรียงรายอยู่ในระยะไกล เอ็ดวินได้บอกกัเราว่าอาคารเหล่านั้นเป็นที่พำนักของท่านผู้มีจิตปราณีด้วยคุณธรรมอันสูงพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปอยู่ในภูมิอันสูงขึ้นไปกว่านี้แล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ทำงานติดต่อโดยใกล้ชิดกับท่านผู้อยู่ในภูมิที่สูงขึ้นไปและสามารถเข้าถึงภูมิอันปราณีตเหล่านั้นได้โดยไม่ลำบากและขัดข้องเหมือนอย่างพวกเรา ตรงข้ามกับความเยือกเย็นจนหนาวสะท้านและความหวาดหวั่นวิตกที่เราได้ประสบมาเมื่อสักครู่ในบาดนี้เรารู้สึกมีความอบอุ่นและปีติแผ่สาบซ่านไปทั่วร่างกายและจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนเลยเมื่อเราเดินต่อไปรู้สึกว่ารังสีของรุ่งทองนั้นได้ลูบไล้เ อ, อิบอาบอยู่รอบกายของเรามากขึ้น ทำให้เรารู้สึกอย่างแจ่มชัดยิ่งกว่าคำบรรยายว่าความสุขสงบอันเกิดจากความประนีตของจิตนั้นล้นค่ากว่าสมบัติพระสถานและความสุขอื่นใดทั้งสิน้นทําให้ข้าพเจ้าเกิดความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องภาคเพียรปฏิบัติเพื่อความประนีตของจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้งเป็นอันขาดแต่เมื่อเราเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็รู้สึกว่า ไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้อีกความจริงไม่มีหลักเขตแดนันหรือเครื่องหมายใดๆอันจะเป็นเครื่องแสดงว่าเป็นที่ห่วงห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดเลยแต่เราก็รู้สึกได้เองว่าเราไม่สามารถจะหายใจเอาอากาศอันประดิษยิ่งขึ้นทุกที่นี้ต่อไปได้ยิ่งเดินไกลออกไปก็รู้สึกเหมือนว่าอากาศจะเจือจางลงทุกขณะในที่สุด เราก็จำเป็นต้องหันหลังกลับมาสู่ภูมิของเราด้วยความอาลายัย้ากลับนี้เราต่างพาก็รู้สึกว่าดูเหมือนตัวของเราจะเบาและลอยขึ้นอย่างประหลาดความอิ่มใจที่ได้รับในครั้งนี้น่าจะฝังอยู่ในความทรงจำต่อไปอีกนานซึ่งข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าเอ็ดวินก็มีอาการเช่นเดียวกับเราเหมือนกัน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 ได้ทำให้เรามีความคิด ต, ต่างๆสับสนและลึกซึ้งเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดอย่างหนึ่งอย่างใดได้ต่อเมื่อเราได้กลับมาณที่เดิมของเราแล้วอีกพักหนึ่งนั่นเองเราจึงได้ถามเอ็ดวินเพิมเ่มเติมอีกหลายประการซึ่งคำตอบเหล่านั้นเมื่อนามาเรียบเรียงติดต่อกันเข้าแล้วก็จะได้เนื้อความดังต่อไปนี้ การที่เราได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยกระทัรหันและของจิตใจโดยรวดเร็วนั้นก็เพราะเราได้อธิษฐานใจไปสู่ชายนาเขตโดยฉับพลันทันทีถ้าเราได้ค่อยๆเดินไปทีละนน้อยเราก็จะได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพละเล็กละน้อยทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกและในด้านสภาวะแห่งจิตใจของเราอันเป็นส่วนภายใน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 เครื่องป้องกันเหล่านี้เขามีอยู่ครบบริบูรณ์พร้อมที่จะให้ความคุ้มครองแก่เราได้เสมอความจริงมีอยู่ว่าสถานที่เหล่านั้นไม่ใช่สำหรับใครจะไปเที่ยวดูเล่นๆ เ, เพื่อความบันเทิงใจผู้ที่จะเข้าไปสู่ที่นั้นต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ก็เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษจริงๆ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 เหมือนดังพรมแดนแห่งภูมิที่ต่ำกว่าดังกล่าวมาแล้วนั้นทางนี้เพราะเป็นไปด้วยกฎธรรมชาติเองคือจะเดินทางผ่านเข้าไปได้ก็โดยที่ได้รับอนุญาตและมีผู้คุ้มกันเชก่อนเท่านั้นมิฉนั้นทำอย่างไรอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้หากจิตของเรายังไม่มีความประนีและสูงพอกับภูมินั้นๆในทํานองเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว เครื่องคุ้มกันในระหว่างเดินทางไปสู่ภูมิที่สูงกว่านี้อาจจะเป็นเครื่องหมายหรือสั ญ, ญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ที่จำเป็นแก่การนี้ซึ่งจะทำให้ผู้เดินทางหายจากความอึดอัดอันจะเกิดขึ้นจากสภาวะต่างๆที่ผิดแปลกไปจากในภูมิของตนนอกจากนั้นยังจะได้รับความช่วยเหลือแนะนาต่างๆที่จาเป็น จากขั้นผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านั้นอีกด้วยอันที่จริงบรรยากาศอันละเอียดประณีตหรือสภาวะแวดลอ้อมของภูมิอันสูงขึ้นไปซึ่งจะแตกต่างจากภูมิของเรานั้นย่อมจะไม่ทำอันตรายแก่เราเหมือนกับสภาวะแวดลอ้อมของภูมิที่ต่ากว่าแต่การที่เราล่วงล้ำเข้าไปโดยยังไม่ถึงเวลาสมควรกว็ดี หรือโดยไม่ได้มีเครื่องคุ้มกันหรือผู้เชื่อเหลืออยู่ก็ดีจะทำให้เกิดความรู้สึกคล้ายๆกับว่าได้อยู่ในที่มืดสด็จมาแล้วเป็นเวลานานแล้วกลับต้องโผล่ออกไปสู่ที่มีแสงสว่างจ้าโดยกระทันหันฉะนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้ก็เป็นแต่เพียงข้ออุปมาเท่านั้นเพราะผู้ที่อยู่ในที่มืดแล้วได้พบแสงสว่างโดยกระทันหัน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 เป็นอันว่าเราได้ตกลงกันว่าจะต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนภูมิทั้งที่ต่ำและที่สูงขึ้นไปอีกสักครั้งให้ได้สำหรับภูมิที่ต่ำลงไป น, นั้นเราไม่มีปัญหาที่จะต้องคบคิดหรือกังวลแต่อย่างใดเพราะโดยที่เอ็ดวินกล่าวว่าเขามีเครื่องคุ้มกันอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ฉะนั้น หากเมื่อใดเรารู้สึกว่าเราได้เตรียมตัวและจิตใจไว้พร้อมดีขึ้นกว่านี้แล้วเราก็จะไปกันอีกครั้งหนึ่งทันทีและในคราวนี้ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะต้องพยายามเข้าไปข้างในอาณาเขตที่สูงขึ้นไปนั้นเราก็อาจจะต้องรอโอกาสหมอะกว่านี้สักหน่อยเพราะอาจต้องรอปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของภูมิเนานันด้วยก็ได้